ทั่วปกตินั่งคือว่คนไม่โลกไม่โกรธไม่หลงนี่จะเป็นปกติการแก้ไขเ ท, ทนในในในคนิคใหญ่ๆกอนแก้ได้สบายเพราะมันไม่มีคนหลงผิดแล้วนี่ท่า น, น, นแก้ด้วยสติปัญญาท่านแก้ไม่ใช่แก้ด้วยโทสะโมหะโนภะไม่ซื่ออวดกล้ามอย่างนี้คนอวดกล้ามกูมีกําลังอ้าวคนเดียวไปต่อสู้จากติดคนเขาต้องเจ็ดทีเดียวใช่ไหมนี่เป็นอย่างไรบ้าง ให้รู้จักวิธีแก้การแก้ปัญหาการแก้อะไรพวกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นคำว่าความสงบนี่มันมีความหมายสงบจากความทุกข์สงบจากความสงสัยสงบจากโทะโมหะโลกสงบจากความเดือดร้อนความเศร้าซึมให้ว่าสงบจากสิ่งเหล่านั้น ลาสจากความเป็นผู้ทุกข์ความเป็นผู้ทุกข์ไปแล้วเราสํานึกได้ว่าเออนี่จะไปติคนนั้นคนนี้ไม่ได้ติเราเองดีกว่าสมมตินะเราอยู่ด้วยกันอย่างสิบค น, นคนหนึ่งมาโกรธเราคนหนเราโกรธเขาคนนึเราโกรธ เ, เ, เ, เขานะ่แล้วคนที่โกรธลุนกับคนที่โกรธกรนนะ่ะใครจะดีกว่ากันก็คนที่โกรธลุนนี่ที่เลวร้ายที่สุดก็รู้จะว่าคนโกรธไม่ดีอยู่แล้วจะไปโกรธทําไม ไม่ใช่ไหมให้คนนั้นโกรธคนเดียวเขามันไม่สบายด้วยเราอ่ะออืเราก็คิดให้มันดีเขาโกรธเขาเป็นทุกเขาทุกเขาเลยเพราะผมรู้ไม่เท่าเธอเขาหลงผิดเขาไม่รู้ให้เขาโกรธไปคนโบราณท่านเองสมมติว่าเหมือนกับบุกคนคนหนึงซุ้มไฟเผาท้องฟ้าไปแต่ฟ้านั้นมันไม่เคยร้อนก้องไฟใหญ่เท่ากับซ้มไฟเห็นไหมหมดเชื่อดหรือเล่า ใส่มอดเออันนี้ก็เหมือนกันคนโกดเราเราก็นั่งใส่ไปเขาเห็นเราไม่โต้อตอบเขาเขาก็ยังยุดเองเขาเนี่ยท่านความโกดไม่มีคุณอะไรเลยมีแต่ทุกมีแต่โทษเท่า น, นั้นเองถ้าเราคิดได้อย่างนี้โอคนนี่มันไม่เหมือนกันจริงจริงกิริยาท่าทางสติปัญญาไม่เหมือนกันจริงๆเราก็รู้ได้อย่างอันนี้ท่านสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนอันนี้เลียกคนสงบ ไปทำอยู่ที่ไหนมันก็ได้อันนี้คนนั้นพูดให้เราเรียกเร็วมึงไม่จะกกูวหรือเนี่ยคันถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ลูกเขาทําไมจึงไม่รู้จักก็พ่อแม่จริงๆนี้แล้วทําไมจึงไปพูดอย่างนั้นออเขาไม่รู้เขาเป็นลูกเราเขาไม่รู้เขาเป็นน้องเราคนที่มีอายุกว่าเขาไม่รู้ขเขาจึงพูดอย่างนั้นพ่วงผิดของเขาเราจะไปเดือดร้อนทําไมให้เขาผิดคนเดียวเขา แม้เขากําลังโกรธอยู่นั่นเราจะไปโต้อตอบโดยวิธีใดพอตามสู้เขาไม่ได้ก็เหมือนเขาเราโกรธเขาแทนเนี่ยสาดน้ําใส่กองไฟไมีแต่ไฟลุกบึ้มบึมขึ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันเราจะไปทําวิธีใดพูดยังไงให้คนนั้นเข้าใจกับคำพูดของเราเนี่เขาไม่เข้าใจเพราะกําลังโกรธอยู่ยเหมือนกับผ้าขาว เ, เนี่ยสีต่างๆเอาผ้าขาวไปซุกเอาไปเอาไปใส่น้ำสีในวัดซุกบ้านออกงมาเดวเราซ ออกไปสูงนสีมันต้องกินเสมอไปวันนี้เราจะเอาน้ําเอาผ้าขาวเนี่ยไปทําให้มันสะอาดเหมือนเดิมมันสะอาดไม่ได้ไม่เป็นอย่างนีคนที่โกรธนั่นะเราจะไปทํำยังไงให้มันเข้าใจกับคนไม่โกรธมันไม่เข้าใจอันนั้นเขาเรียกว่าผู้ทุศูนยถึงจะเป็นพระเป็นเลจรุ่ยย่าในอาวกเราก็ยังเป็นผู้ทุศูนยอยู่นั่นเองถ้าเป็นโยมนเนี่ยโยมทําได้โยมก็เป็นพระได้อันนี้สงบง่า <c> ย <oughs> บัดนี้เอาพูดกันเรื่องที่สุดของทุกนะแบบนี้จะพูดในความวันนี้เพราะเวลาไปพูดมาก็นานแล้วที่สุดของทุกเนี่ยเราทําอย่างนี้มันจะหลุดจากตัวมันเองเหมือนกับน็อตน็อตมันก็มีเกี่ยวแหวนก็มีเกี่ยวเราหมุนเข้ากันอย่างนี้มันติดกันแน่นเข้าทุกทีบัดนี้เรามาจับหมุนค่ายเพราะดีมันค่ายไปแล้วก็ตกออกจากมันเองเมื่อมันตกออกจากมันเองแล้วก็มันไม่มีเกี่ยวแล้วแบบนี้ พอดีมันออกมาแล้วก็สมมติเอานะาเอาเลยสบายไปไปถูเกลียวมานี้ออกอไปถูแหวนนี้ออกมันนี่ก็หันเข้าไปมันไม่เข้าเลยบปอนจับมันก็ตกพวกกันจับตัวนี้ขึ้นมาหลุด อ, อันนี้ที่ของคุณตัวคนนี้มันมีทุกคนอยู่แล้วดังนั้นธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้านั้นมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายุคสมัยเหล่านี่คนพบก็เลยให้สิทท่านว่าท่าน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 เนี่ยทำที่มีเป็นปกติเราไม่เคยได้เอามันคิดผิดแล้วมาที่นะี่ไปชอบคนนั้นไปชอบคนนี้ไม่เป็นปกติแล้วคุณนะอาวแล้วพันทุกแล้วพันเมื่อเห็นสิ่งนี้ก็เรียกว่าเราศึกษาเข้าไปจ ว, จวนเข้าจะถึงที่สุดของทุกแล้วเมื่อไปถึงที่สุดของทุกแล้วมันหายตัวมันเองมันหายตัวมาจริงๆขาวนั้นอัตมา ก, กําลังเดินอยู่ประมาณตีห้านี่ว่าเดินจุ่มผมก็ได้ยานงก็ได้ ธรรมดาคนยิ่งต้องมีนัง่งมีนั่งมีนอนมียืนอย่างนี้กลับไปกลับมาไม่รู้อะไรเลยไม่นึกไม่คิดเลยดูจะาคุคิดเท่านั้นเองมันคิดปุกเหมือนแมวมีกำลังปุ๊บจับทันทีมันคิดจับทันทีหนูกดฟอกตอนนี้สูงทาเนี่ยลุกออกไปเลยจะไม่ใช่ท่าอยู่จริงจริมันลุกออกไปเบาตัวกระถุ่นึกมาตัวเองวิต ดิ้นขึ้นไปจากเม็ดหนึ่งพุด<ม>แต่คมจริงยางอยู่บนดิน<ม>นเไม่ได้นึกได้คิดว่าจะเป็นอย่างนแม้คําสอนของพระเจ้าเนี่แปลกประหลาดที่สุดเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดที่อาตมาพูดนี่จะรู้ล่วงหน้าได้ได้คาดคิดเอาไม่ได้จึงว่าไม่ต้องขึ้นอยู่กับตาําราไม่ต้องขึ้นอยู่กับคําพูดขึ้นอยู่กับการกระทําทําให้มันเป็นเองความเป็นเองมันมีอยู่แล้วทุกคน นั้นพระพุทธเจ้าธรรมะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามรรคกคนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นค้นพบแล้วจึงนำมาสอนท่านโกเลยบอกว่าขัดทั้งหลายคือเราตถาคตคือกันเมื่อยังไม่รู้ก่าคือกันต้องสอบแสวงหาเที่ยวไปยังัรกันขัดทั้งหลายเหมือนกันกับเราตถาคตต้องมีแค้นขาหน้าตาเหมือนท่เหมืกันผู้หญิงค็เหมือนกันผู้ชายก็เหมกันบัดนี้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 แต่ okay. อาจารมาที่นี่ไมได้ห้ามนะต้องทํำใรเถอะทําก็ทําไปตามที่ผมเห็นแต่ตัวอาจารมานั้นทําทุกดวงหายใจมันคิดมากขาต้องรู้ทันทีนั่งอยู่อย่างนี้ผู้หยุดต้องมองเห็นจุดนั้นจะเลยไปที่นั้นพูดอย่างนี้ก็ต้องต้องกามมนจากเป็นตัว น, นแต่การดูการเคลื่อนไหวอันนี้รู้สึกมันคิดให้รู้สึกมันจะเข้าไปเหมือนกับสายนาทีแรกฝนตกแต่ ภูเขาก็ตามบ้านขนอะเพระเรียครูเขาตกเลยน้อยสายน้ามันมจะมารวมตัวกันเข้ารวมตัวเขาลงใส่แม่น้ําแม่น้ําเล็กๆนั้นมันจะลงมาใส่แม่น้ําใหญ่แม่น้ำใหญ่มันจะลงไปใส่ทะเลทั้งหมดนี่เป็นอย่างไรดังนั้นคนทุกคนต้องจะมารวมจุดนี้การให้ทานก็จะมารวมจุดนี้การรักษาศสินก็จะมารวมจุดนี้การไปทําสมถะกรรมฐ า, านก็จะมารวมจุดนี้ การจเจริญนิพพานก็จะมาลงจุดนี้ถ้าเรามาทําจุดนี้ทีเดียวมันจะเป็นยังไงผิดไหมไม่ผิดนะเออนี่อาจจะมาเข้าใจว่าจินกล้วยงากอกบ้านอาจจะมากินกล้วยก่อนยงางไดแต่เราไม่เข้าใจไปปอกกล้วยดิบมันก็ต้องติดนือแล้วบ้างยางมาติดนิ้วติดนี้วหาวิธีปอกกล้วยให้มันเปลี่ยนหาวิธีปอกกล้วยเปี่ยก็เหมือนกับฟอกกล้วยดิบมันเองเมื่อเอาเม็ดไปปาดกล้วยดิบยางมาติดนี้วอีกซ้วยเคยเห็นไหม อย่างมาจิตนี่เข้าใส่ก็ไม่รู้จักวิธีปอกมันนั่นเองหมายถึงการรัดมันก็ไ้ก่นจรัดก็ได้แล้วก็มันจะมารวมจุดนี้นี่มันเป็นที่นามาเราให้ฟังมันนี้พอที่จะจับใจดวไปได้แต่เราต้องทําไปจนหมดลมหายใจถ้าพระเจ้าเองครับเราทำจนหมดลมหายใจหมดลมหายใจเมื่อใดก็ต้องหยุดกันเมื่อนั้นการทําอย่างนี้มันเป็นสมบัติของเราจริงๆ คนอื่นจะยื้ยื่นให้เราไม่ได้คนอื่นเป็นเพียงแต่เ น, น, นี่ยเท่านั้นดังนั้นคนทุกคนต้องทําการทํางานตามหน้าที่อย่าไปปะหน้าที่ของเราเราเป็นพระสงฆ์อ ง, องค์เด็กเต้องทําการทํางานตามหน้าที่พระสงฆ์องค์เด็แต่ทําให้มันถูกต้องและเป็นครูโรงเรียนคุณก็เป็นครูโรงเรียนนั่นเองนะเป็นหน้าที่สอนนักเรียนให้มันถูกต้องและเป็นตำรวจทหารก็มีระเบียบคนเขามาด้วยคแต่จะมาไม่รู ถ้าเป็นตำรวจทางหารก็ต้องทำหน้าที่ของเราถูกต้องถ้าทุกคนทำการทำงานตามหน้าที่หล้วความสงบเกิดขึ้นมาเองไม่ต้องไปเรียกร้องควผมสาบที่ว่าเมื่อทำชั่วอยู่แล้วความดีมันหายไปเมื่อทำดีอยู่แล้วความชั่วมาไม่ได้แต่ไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรทั้งนั้นเพราะคนดีมันมีอยู่ในเราทุกคน น, นี้เพียงว่าความสงบใกล้ๆมันไม่ไกลอึดใจเดียวเขาได้ ถ้าหาทุกคนรู้จักวิธีแก้ไขรู้จักการแก้ปัญหาตัวเองโลกทั้งโลกสมบเต็มดังนั้นจะเป็นโลกที่ไหนก็ตามจะเป็นคนชาติใดประเภทไหนก็ตามมีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันทั้งถือศาสนาถือศาสนคิดถือศาสนาอิสลามคิดกงเท๊กกงซึกอะไรอาจจะมาขอเม่รู้เส้นเส้นอะไ ร, ไรก็เป็นคนเหมือนกันนี่เอง ถ้าเรามาจับจุดนี้แล้วกบบว่ามันจุดเดียวกันทั้นี้เองไม่ธรรมะเดท้ายที่สุดนี้อาตามาได้นําธรรมะมาเร่าบทสัส่งเป็นบทสัน้นอาตามาขออ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำสอนขององค์คุณเด็จระัมมาสัมพุทธเจมาเตือนจิตสกติใจของพวกเราให้พวกเราได้ศึกษาตัวเองได้เห็นสิวิตจิตใจของตัวเองและก็ต้องปฏิบัติสิวิตจิตใจของตัวเอง ให้เข้าสู่สภาพเดิมของมันไปถึงที่สุดของทุกในชีวิตนี้จงทุกทา่านทุกคนเถ้าอย่างพูดว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันโกรธขึ้นมาเวยนะที <c oughs> นี้เราก็เอาสติของเราเนี่ยเข้าไป <c oughs> ไปสังเกตคือเกี่ยวเรื่องไอเรียบทของเราที่เราลองทําเลยนะแล้วมันก็หยุดไปอันนี้มันเป็นเป็นการที่มันกฏมันหรือเปล่าอย่างนี้ ก็เริ่มต e ้นเมื่อแมวยังตัวน้อยๆเราต้องบังคับมันแบบอันนี้ว่าแก้เหตุผลคือรู้จากมันกผล่แล้วเราจึงไปแก้มันไม่ได้ผลดีต้องรู้ก่อนมันที่ต้องรู้ก่อนมันต้องรู้ก่อนมันเริ่มจิตใจมันนึกคิดขึ้นมาเราเห็นก่อนเราต้องเห็นก่อนต้องเห็นก่อนคืแล้ววิธีการที่จะให้เห็นก่อนเลยนะะก็มันนึกขึ้นมาแล้วก็รู้ทันทีนึกขึ้นมาเพราะทั้งหมดโอ้มันนึกขึ้นมาแล้วก็ต้องเห็น มันไม่ทันเลยครับคือมันไม่ทันเลยครับคือบางครั้งเนี่ยมันปุ๊บออกมาปั๊กเนี่ยแต่พอแต่มันมาที่หลังเรามารู้ทีหลังแต่มันก็หยุดนะฮะหยุดเว้นกันอยู่มันต้องทนนี้มันช้ากว่าแต่มันต้องใช้กําลังแรงนะแข็งแรงหนักหน่วงเนี่ยถ้ามันไม่มีแรงจริงๆก็ฟู้เขาไม่ได้นะครับเออเนี่ผมบอกกำลังหนักก็มีตวามหนักความอ่อนอันนี้เขาหวังแก้ด้วยเหตุการณ์หรือพอจบการมัาได้จนได้แก้มันเรื่อเหตุผล เราต้องแก้กรนมันเนี่ยโอ้ประเด็นนึกเราเห็นโอ้มันคิดมันจะคิดแล้วเราเริ่มรู้เนี่ยนะว่รู้คมรู้ดีว่าว่าสติก็ได้ว่าสมาเิศจะได้ว่าปัญญาก็ได้รู้แล้วคมคิดมันถูกหยุดเลยผมคิดที่มันจะโกธรเนี่มันก็ต้องคิดไปเรื่องที่มันมีแต่ปัญญาก็ทาได้ทุกคนทั้งที่ไหน พยายามทำให้แต่ทํามมันมันมันช่าอย่างชาอย่าไปพยายามเลยฆ่าไปพยายามมันก็ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ให้มันรู้เซย์เซย์ให้มันลู่ทำให้เป็นไปตาธรรมชาติเลยเออนั่นแหละเป็นไปตามธรรมชาติแต่ต้องฝึกอยู่เรื่อยๆ่าพอคิอะไรปั๊บก็รู้อะไรปั๊บก็รู้เออนักมวยเนี่ยคุณเคยเห็นไหมฮัดที้แรกมันต้องไปหัดซกตะครูนะคนานๆมั้ยนี่ครูก็ต้องซกคนเดียวเขาก็สอบตายมาผมก็เห็นเขาซกไปซกกับสอบตายลูกซก บ่อยเข้าบ่อยเขา้เขามันก็เลยได้ขึ้นในเวทีซุก ส, สนามเหมือุกสนามมาังกรยองแค่เขาก็มีนะแต่ <c oughs> คนนั้นไม่เคยกลัวเรีกแค่ชณะมันเป็นเช่นกีฬาอะซุกไปบ่อยๆบ่อบอยอยๆานานๆเขา้าไปสู้วิทีเวทีไหนก็ต้องชนะเวทีไหนก็้องชเขาก็เป็นแซ่ตเตีเตเ้ยนได้ในทันทีผมพอดีมันคิดมานานๆเขาเล้เขาทันเหตุการณ์ของมันมันก็ใช้ได้แต่ว่า สมมุติเอานะเหมือนกับแสงพอาทิตย์นี่นะในคาวใดเดี๋ยวนี้นี่แสงพอาทิตย์มันมืดมันเย็นนะพิศาสจะออกมามันหลบหลบซ่อนซอนอยู่ที่ตัวเรานี่เมื่อแสงพอาทิตย์ทาคนสว่างขึ้นมาพิศาสมันหลบตัว ท, ทันทีเมื่อเราเห็นอยู่นี่มันหลบตัวมันไม่แสะเด็ด ต, ต้องเอาจริงออกจากอย่าต้องทําเล่นๆมันไม่ได้ครับ เล่นไม่ไดต้องทํากิงคาจั ง, จงเอาสำแนะมันจริงจรนะิงด้วยมันเป็นของสบายเข้าใจสายสบายแล้วโกรเราต้องทาสิ่งที่ในโกรธใ่้ดูนะจะบอกสิ่งที่ไล่โ <c oughs> กรมันไม่ดูเลย อ, อย่างนี้เราก็ต้องฝึกจริงเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ ที่มาเรียนท่านเมื่อวานอยากจับจิตใมันสงสัยติดด้วยสงสัยติดด้วยตติดตัวนี้กันได้เนี่ยติดตัวนี้เข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวพ่อเข้ามาใกล้ๆเียวพ่อมันใครพูดอะไรที่ไหนหลวงพ่็สงสัยอยู่ด้วยแ้อยากจัิวิบากบางทีก็นั่งแับตาเมื่อวานได้มาได้มากราบเรียนท่านท่านบอกว่าไม่ต้องนั่งหลตาทนี่ว่าท่านนั่งดึงตาแล้วมันติดเราไม่สงบ คนอยากให้มานสงบใช่ไหมครับอ๋อความสงบเป็นนั่งหลับตายแล้วถ้าคนมารักของคุณลบของคุณหายไหมก็หายเลยครับผมเนี่ของหายแล้วคุณสงบได้ไหมไม่ไมงสงอคุณอายุกี่ปีแล้วก็ไม่กี่ปีอยากจะทําทําไม่ได้หลายีแล้วคุณทาไม่ต้องถาคุณอายุกี่ปีแล้วอายุห <52 S 1> ้าสิบห้าสิบสองแล้วห้าบสอคุณเรียนหนังสือจบสั้นไหน ก็เรียนมาโฉงไปบวชมาก็เคยครับผมบวชกี่ป oh. oh. uh ีบวชหลายปีครับผมทำงานอะไรเดี๋ยวนี้นีเป็นตำรวจเป็นตํารวจเป็นตํารวจหรือเป็นนายร้อยหรือเป็นนายสิบอะไรนายร้อยครับนายร้อยอะไรนายร้อยเอกโอ้คุณถ้าคุณเป็นนายร้อยเอกแล้วคุณไปนั่งสงบแล้วลูกน้องไปเอาของไปขายหแล้วคุณจะทำยังไงเป็นนั่งสิครับผมกาวกาวเรียนหลวงพ่ให้จะมี มันยังไงมันถึงจะนั่นอยากจะทําว่าทําไม่ได้เสียสิตาในสมองว้าวุ่นไปเรือยมันมันไม่อย่างนั้นคุณคุณต้องเดินไปเดินมาทีแรกมันต้องคิดคุณจะรู้น้อยๆไม่ใช่จะรู้มากเหมือนกับคุณไปเรียนหนังสือเรียนสูงเน่ยยัยงได้เป็นนายตารวจนะคุณเขียนกอไก่นี่กี่วันยังเป็น นานอ๋อเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันกูจะเขียนจะทําบรรเลียงเป็นมันไม่ได้เหมือนกับเขียนกอไก่ไส้เวลาสองสามวันมันจะไปเขียนกอไก่ได้บัดนี้เขียนกอไก่ได้สํานานแล้วยังไม่งามนะบัดนี้ใส้เวลาสัปปีหนึ่งนี่เขียนกอไก่ได้เขียนยังไงคุก็อ่านออกทางนั้นเออใช่ไหมเอออันนี้ก็เหมือนกันแล้วคุณ มันทำความสงบนี่ก็เหมือนกันมันจะมาในรูปไหน <Okay. S 1> คุณก็รู้เท่าทันเหตุการณ์ก็สงบแล้ว mm hmm. ลูกน้องคุณนะเป็นเป็นร้อยเอ็ดนี่มันมีลูกน้องกี่คนก็หลายคนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้บางทีก็น้อยบางทีก็มากแล้วก็ไม่เหมือนกันนะจิตใจพวกลูกน้องนะไม่เมอ น, นเออแน่นแหละคุณก็จะรู้โอ้คนนั้นเป็นนิสัยอย่างนั้นคนนั้นเป็นนิสัยอย่างนั้นคุณก็จะรู้ที่คุณรู้บ้างไหม ออก็นั่นที่คุณสงบแล้วนิสัยมันเป็นอย่างนั้นเราต้องจะไปขัดขมองมากก็ไม่ได้นะทําไม่ได้สนะักทีก็เลยงงและทนี้ความอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ก็เลยยิ่งไม่รู้จะไปทางอาจารย์ไหนดีก็เลยงงงงวะถ้าอาจารย์เปลืองเหรอได้ข่าวว่าอาจารย์ <c oughs> ยนี้มีไฟหมดแต่ออว่ายังไม่ได้อะไรสักทีกัทบทังวันนี้คุณจะได้อะไร ก็อยากจะได้ความสงบความสงบมันมีแล้วคุณไม่รู้มันเท่านั้นเองอย่างที่พูดเนี่ยคุณเข้าใจอย่าไปทำความสงบอย่าไปทำนอย่าไปทำมันเพราะมันสงบแล้วเนี่ยคุณยิ่งไปทำมันก็ยิ่งไม่สงบี่เข้าใจไหมเออคุณไปทำความสงบความสงบมันมีอยู่แล้วคุณยิ่งไปทำความสงบก็ยิ่งไปทำความเดือดร้อนที่ นี่ลักษณะที่หลวงพ่อพูดว่าจิตใจคนไม่เหมือนกันคันพูดอย่างนี้บางคนเข้าใจไปอย่างนี้ถ้าพูดกับคุณต้องพูดอย่างนี้หลวงพ่อข้าพูดอย่างนี้พูดกับคุณเพราะคุณเป็นนายร้อยแล้วนี่ถ้าคุณในลูกน้องของคุณนะคนนี้มันกําลังโกรธขึ้นมามาหาคุณคุณจะโกรธกับมันมันไม่ได้เพราะอ้าวคุณก็ต้องหางานมันทําไปทําอันนั้นอันเนี้ยเรียมก็ไปทําให้ัเราหายโกรธแล้วก็เรียกมันมามาสอนหมเ น, นี่คือว่าการแก้ปัญหาต้องแก้หลายวิธี ผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันนี่มันเป็นยไงมันต้องแก้ให้ถูกจุดพวกกับคุณเน่ยต้องว่าไปทําความสงบอีกแล้วคุณก็ยิ่งไปทําก็ยิ่งไม่สงบแล้วแต่คุณไม่ต้องทำเออเห็นลูน้องเมันโกรกมาเออมันจะทําอันนี้เดี๋ยคุ้นๆมานี้ยเรียกมันมามันยัานคุณใช่ไหมมันก็แล่นมาหาคุณคุณก็ต้องเอาไปทำงานนั้นให้บได้มันก็ไปทําดำไปทำก็สงบมาแล้วคุณคิดเมื่อกี้เนี่ยมันทุกข์ไหมพวกทุก อ, อย่าไปคิดอย่างนั้นหมดปุ๊บเนี่ยก็ไปบอกคุณสงบแล้วคุณสงบแล้วนะจึงไปเรียกคนไม่สงบมาหาคุณได้นะถ้าคุณเนี่ยมึงโกดมาทําไมมึงไม่จบกูเป็นนายร้อยเลยมันก็ยิง่งถึงนี่มันไม่ได้โกดในอาท่านครับอันนี้ก็พอจะเข้าใจแล้วทีนี้ว่าขั้นต่อไปนี่ก็ผมจะให้ทํำยังไงมันถึงจากนั่นนะหลังจากนี้ต่อไปแล้วก็จะปฏิบัติยังไงไปเรื่อยถึงว่าจะปฏิบัติธรรมะขึ้น ไปเรื่อยๆให้มันสูงอะไรทานองนั้นนไม่ไปเรียกในเรียนมันมันสมมุติโทษนะคือคุณต้องรู้สึกตัวคุณนั่นเองอย่าไปว่ามันลืมตัวไม่ออกคือให้มันรู้คุณยกมือที่กัมันรู้กำมือที่กัมันรู้ดีดมือที่กัมันรู้มันพลิกตาก็ให้มันรู้มันหายใจก็ให้มันรู้คุณนั่งเบื้องนี้มันเหนื่อยแล้วก็พิิกมาเบื้องนี้ให้มันรู้เวลาลุกเวลานอนทุกประเภท พระพุทธเจ้าท่านสอนให้กำหนดรู้ในอินทรียบุย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยเคยได้ยินบ้างไหมได้ยินเออเนี่ยมันเคลื่อนไหวโดยวิธีเขาให้รู้แต่อย่าไปรู้แต่ความคิดโดยเฉพาะความคิดนั้นมันจะลากเราไปให้มารู้อยู่กับตัวนี้ที่พูดเนจิยวิสัยสมมติไหต้องลกเราไปลากความคิดนั้นเท่า น, นั้นเองเราก็มาอยู่กับความรู้สึกอ น, นี้เมื่อมันคิดขึ้นมาเราฝุดมันบ่อยๆกับเหมือนนักมวยนี้เองวันนี้เรารู้จัก ตำนี้สนานความคิดขึ้นมาแล้วบุญความคิดประเภทที่มันมาด้วยสติปัญญาคุณก็เลยโอ้นี่มันเป็นสติปัญญาล้วนๆอันนั้นมันเป็นเรื่องโทสะเป็นเรื่องโมหะเป็นเรื่องโลภะคุณก็เลือกเอาได้ในะย่ังจะให้คนอื่นไปเลือกได้ทำไมอันนี้เรียว่คมสงบเออมันไ ม, ม, น ม, นไ ม, มน่มันไม่ต้องทําคุณเพราะคุณเคยเสอนลูกน้องแล้วเนี่ยว้เมื่อกี้เนี่ยพขาโกหมาแหมปูก็มาดูใจปูลองดูที่เนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาดูใจเราที่บุญ แล้วมันจะว่าบวกกันเข้าตรงนี่เขาว่าเห็นเราก็ทําได้อันนี้เราคว่มผิดเป็นครูแต่อย่าทําผิดอันนั้นเป็นคมนผิดมาสอนเราเราจะไปจับเอาคมผิดคนอื่นมาฝึกฝนอบรมตนเองเอาความเอาคมผิดของคนอื่นนะมาเป็นบทเรียนของเราไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นทำผิดแล้วอ๋อไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาอั น, นั้นมืนไม่ได้คนทําผิดที่ไหนเราเอามาเป็นบทเรียนของเรา เราก็ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจเราเราดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นควมเป็นบุคคลส่วนมันหายไปเมื่อใดเราไม่รู้เใช่ว่าคนทําดีอยู่แล้วความชั่วมันหายไปเองไม่ต้องรอคอยใครที่ไหนวันนี้เรากําลังทําชั่วอยู่ความดีก็นหนีไปที่วันนี้เรากําลังทําดีอยู่ความชั่วมันจะเกิดขึ้นมาได้โดยวิธีใดคุณกําลังทําอย่างนี้อยู่มันจะเกิดขึ้นมาได้ไหมมันเกิดขึ้นมาไม่ได้เนี่ยความดีมันบังคับได้อ่เข้าใจไหม ใกล้คๆคุณแต่คุณต้องฝึกบ่อยๆอยู่ที่บ้านก็ได้อยู่กับลูกกับหลานเนี่ยมันมันอย่างนี้เนี่ยนั่นก็คือวาบางทีฝุกฝเรื่องความโกรธเนี่ยหลายๆวันค่อยโกรธทีไม่ได้โกรธทุกวันเวลาโกรธบางทีก็ลืมตัวไปไปก็คิดได้อมันเนี่ยกันนันติแล้วไออีกอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องสติอนี้ทําไมบางทีตั้งใจจะพูดจะอะไรต้องคิดแล้วคิดดีนี่มันยังไงอันนั้นทั้งๆ้งที่รู้อยู่งนี้จะทํา อันนั้นคุณคุณเข้าไปเนี่ยผมคิดคุณต้องมาให้มันรูปสิกตัวนี้มันรูปสิกตัวลูกนี่คุณมารูปสิกตัวนี้มันกระเสาตัวนั้นเสาตัวคิดน่ยอยากให้มันเสาอยากให้มันหยุดนะ ค, ค, คุณก็ต้องมารูปสิกตัวนี้ลูปบ่อยมันจะสนานเหมือนกับเขียนกอไก่นี่เองที่แรกเขียนตัวหนังสือมันไม่จบมันไม่สวยวันนี้เราหัดเขียนเข้ามันจะสวย ก็เหมือนที่วันเราตุบใบ่อยมันก็เลยลึกรู้ตัวไอ้ลืมสติเนี่ยเขาบอกเป็นลายแต่บางทีจะพยายามชนะมันความโกรธบางทีไม่รู้สึกตัวมันขึ้นมามันไม่รู้แล้วก็ขายได้มันไม่รู้ในขณะที่คุณโกรธคุณไม่รู้คุณไม่รู้สึกตัวคุณจะรู้อันนี้ก็บางทีอาจจะรู้คุณไม่รู้ใจคุณไม่เห็นใจคุณถ้าคุณรู้ใจคุณเห็นใจคุณแล้วรับรองว่าความโกรธไม่เกิด เพราะมันมีสติปัญญาอยู่ที่นั้นเพราะมันมีหลักฐานดีนี่แหละพุทธศาสานาจึงเป็นที่พึ่งได้พุทธะจึงแปลผู้รู้ผู้ตื่นผู้บูกบานด้วยธรรมคือธรรมอันนั้นเนี่ยธรรมที่ตรงนั้นเน่ยจับมาให้ดูไม่เห็นตื่นที่ตรงนั้นเนี่ยเบิก บ, บานอยู่กับที่อันนั้นไอ้ที่วะขึ้นไปจับควมเป็นผู้ผมได้เข้าใจนะเออทําอยู่ที่ไหนก็ได้ไ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 คู่ดีของเรามันมีดูแล้วแต่เราไม่ศึกษาที่ตรงนี้พอดีคนอื่นทำเดิมไม่ดีจะไปตาหนิเขาเลยไม่เคยตาหนิเราเราไม่ดีเอาบทเรี่ยวของของมันจะผมชอบตาหนิคนอื่นไม่ใช่ตำหนิโดยเหตุที่อาจารย์ต่างๆชอบตรงนิแม้ท่านอาจารย์ต่าด้วยไม่ต้องพูดคนอื่นนะไม่ต้องพูดเลยเราพูดเรา การตันตือด้วยติดตัวเรา